กาบบูชาพระรัตนตรยัย <c oughs> กาบนสัต ก, การองค์พ่อคำเขียน <c oughs> แล้วก็ขอกากกรวะพระเถรานุเถระทุกรูปแล้วก็เจริญพรญาติโยมทุกท่าน าการมาใช้ชีวิตอยู่ที่วัดป่าสุกโตแห่งนี้ถือว่าเป็นเป็นบุญอย่างมากสำหรับพวกเราทุกคนเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่เป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการที่เราจะมา จเจริญสติตัวอาตมาหรือกับผมเองที่ได้มีโอกาสมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี2527ก็ได้รับประโยชน์จากสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างมากทำให้ได้เรียนรู้เรื่องของกายเรื่องของใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้อยู่ได้ตลอดเวลาเท่าที่ได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้มีประสบการณ์จากการศึกษาที่วัดป่าสุโขโตแห่งนี้ทำให้รู้ว่าชีวิตที่แท้จริงนั้นก็คือความเป็นปกติของใจ สิ่งเหล่านี้เนี่ยมีอยู่แล้วในพวกเราทุกคนแต่ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เรามักจะไปหลงอยู่กับอารมณ์ความสุขความทุกข์นะซึ่งเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตในโลกในระยะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้สัมผัสกับความ สุขความทุกข์ความสุขเป็นสิ่งที่เรารู้สึกสบายรู้สึกทั้งสบายกายสบายใจเราก็อยากได้อยากให้มันอยู่กับเรามากๆอยากจะอยู่ให้กับเรานานๆแต่พอเรารู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจเราก็รู้สึกว่าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นไม่อยากให้มันมีอยากย้มันอยู่ไกลๆ สิ่งเหล่านี้เป็นเป็นความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเพียงแต่ะ ว, ว่าเราไม่ได้สังเกตเราไม่ได้กลับไปสู่ความเป็นปกตินะบางทีเราก็ไปหลงอยู่กับอาการเหล่านี้ก็คือรักสุขเกลียดทุกข์แต่ธรรมชาติมันก็สอนว่าจะสุขหรือจะทุกข์ก็ตามเนี่ย มันเป็นความเปลี่ยนแปลงมันเป็นปรากฏการณ์ที่มันแสดงให้เราเห็นเพียงแต่เราเข้าไปอย่าเข้าไปเป็นกับมันการกลับมาสู่ความเป็นปกติของใจเนี่ยเป็นกลางๆเป็นสิ่งที่ยืนยันให้เรารู้ว่าชีวิตจริงๆเนี่ยก็คือความเป็นปกติของใจนั่นเองไม่ว่าจะเราจะสุขหรือจะทุกข์ สุดท้ายมันก็กลับมาที่ความเป็นปกติของใจความเป็นปกติของใจนั้นมันแสดงตัวของมันอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เห็นมันจริงๆการที่เรามาเจริญสติมายกมายกมือก็ดีเดินจงกรมก็ดีตรงนี้เนี่ยก็คือการที่เราแวก แว่ความรู้สึกสุขทุกข์หรือให้เห็นปรากฏการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อจะกลับไปสู่ความเป็นปกติของใจเป็นธรรมชาติเดิมแท้ที่เราได้มีอยู่เป็นอยู่แต่อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์ที่ได้ฝึกปฏิบัตินะก็พบว่าในบางครั้ง เราก็หลงลืมความเป็นปกติความเคยชินของการที่เราจะอยู่กับความสุขหรือว่าจะผลักไสหนีจากความทุกข์นั้นเป็นความเคยชินที่เราคุ้นเคยจนลืมเลือนความเป็นปกติของใจไปได้เห็นนี้เองก็จําเป็นที่เราจะต้องมาฝึกปฏิบัติกันอยู่บ่อยๆสิ่งสําคัญคือความไม่ประมาท บางทีเราก็คิดว่าเรารู้แล้วเราได้สัมผัสกับความเป็นปกติเล็กๆน้อยๆเราก็คิดว่าเรารู้แล้วเราจบแล้วเราเข้าใจแล้วเราไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วซึ่งตัวกระผมเรื่องธรมมาเองก็ เ, เคยเคยเจอเพราะฉะนั้นในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นระยะเวลาที่มีทั้งความรู้สึกตัวดีบางครั้งเราก็ประมาท หลงลืมตัวคิดว่าเรารู้แล้วสุดท้ายเมื่อเราได้ไปประสบกับบุคคลก็ตามกับสภาพแวดล้อมก็ตามมันก็สะท้อนกลับมาว่าจริงๆเราเพียงแต่คิดว่าเรารู้อารมณ์ต่างๆความรู้สึกต่างๆที่ดีหรือไม่ดีบางครั้งเราก็ไปจับฉวยเอามาเป็นตัวของเราโดยที่เราลืมตัวไป ในขณะที่เราสร้างจังหวะก็ดีเดินจงกรมก็ดีบางทีความรู้สึกตัวเราชัดแต่พอเราไปออกจากที่เดินจงกรมหรือว่าที่สร้างจังหวะเราได้ไปประสบกับบุคคลกับสภาพแวดล้อมกับสิ่งต่างๆเนียบางทีเราก็ไม่ทันได้รู้สึกตัวจริงอันนั้นก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าการเจริญสตินั้น ไม่ใช่เฉพาะในรูปแบบเราจะต้องพยายามสังเกตดูแล้วก็มีความรู้สึกตัวแม้ว่าออกจากที่โดนจงกรมแล้วก็ตามหรือแม้แต่เราจะสร้างจงออกจากการสร้างจังหวะก็ตามสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องออพิสูจน์หรือยืนยันแล้วก็ทดสอบตัวเรา ว่าสิ่งที่เราได้ฝึกไปเราได้ใช้ได้หรือไม่สติที่เราฝึกมันได้ใช้ใช้ได้จริงหรือไม่ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ให้เราสังเกตนะซึ่ ง, ซ, งซึ่งตัวกับผมเรียตธรรมาเองก็ได้พยายามสังเกตดูอยูอ่การได้มีโอกาสมาบวชในช่วงเดือนเดือนกว่าเนี่ยก็ทำให้ ได้เห็นอารมณ์ที่ละเอียดขึ้นโดยเฉพาะความอวดดีความถือดีความคิดว่าตัวเราได้เคยมาอยู่ที่นี่นานเราเป็นคนที่เราได้เรียนรู้มานานแต่จริงๆแล้วกลับพบว่าตัวเองเนี่ยหลงหลงตัวเองไปคิดว่าเราเนี่ยรู้มากจริงๆไม่ได้รู้อะไรเลยเราคิดไปเอง อา น, นิสงส์ของการบวชในช่วงระยะประมาณเดือนครึ่งเนี่ยก็เป็นเป็นประโยชน์อย่างมากทาให้เรากลับมาสะท้อนตัวเราเองได้พิจารณาตัวเราเองอยู่บ่อยๆการฝึกเจริญสติในรูปแบบเนี่ยจากประสบะการณ์ของตัวเองเนี่ยเป็นฐานที่มั่นสำคัญที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถจับความรู้สึกตัวนี้ ไปใช้กับในชีวิตประจําวันได้แม้ว่าเราจะไม่เดินจงกรมไม่ได้สร้างจังหวะก็ตามสิ่งเหล่านี้เราเราประมาทไม่ได้ว่าเป็นเป็นเรื่องที่ทําก็ได้ไม่ทําก็ได้สําหรับตัวผมเรือตธรมาเองเห็นว่าเป็นเรื่องที่สําคัญแม้ว่าเราจะเคยได้ยินได้ฟังมานานเคยปฏิบัติมานานแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ย ก็อย่าอย่าไปประมาทตัวเองซึ่งซึ่งตรงนี้เป็นประสบาการณ์ที่ตัวกับผมเรื่องธรรมาเองได้ประสบพบเห็นมาแล้วกเ็เห็นว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในเรื่องรูปแบบแต่ก็อย่าหลงลืมว่าเมื่อเราทารูปแบบแล้วเมื่อเราไปใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็พยายามารู้สึกตัวกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งการพูดคุยทั้งการทำกิจกรรมต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยเสริมทำให้ความรู้สึกตัวของเราเนี่ยมีความต่อเนื่องบางคนอาจจะรู้สึกว่าทำมาตั้งนานแล้วแต่ไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยตรงนั้นก็ก็ไม่เป็นไรนะอย่าไปโทษตัวเองเริ่มต้นใหม่อยู่เรื่อยตัวกับผมเรื่องธมาเองก็ พยายามที่จะนําเอาคําสอนคำพูดนะของหลวงพ่อกําเขียนนะํามาใช้โดยเพราะยังยิ่งในเรื่องของการที่เราไม่โทษตัวเราเองบางทีเราหลงลืมไปก็ช่างมันเราเริ่มต้นใหม่สติความรู้สึกตัวเนี่ยเริ่มต้นใหม่ได้เรื่อยๆเมื่ อ, เ ร, อเราเริ่มต้นใหม่เรื่อยๆรื่อเราก็รู้สึกว่าจิตใจของเราเนี่ยก็มีกําลังใจไม่งั้นเราจะรู้สึกท้อแท้ใจในการที่เราจ ะ, ะประพฤติปฏิบัติ ในในเบื้องต้นเท่าที่ได้เรียนรู้มาก็คือการที่เราได้มีความรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อสมัยก่อนที่ได้เรียนรู้าการฝึกแบบลมหายใจนะก็คืออนาปนาสติเนี่ยาการฝึกแบบอานาปนสติหรือลมหายใจนั้นค่อนข้างที่จะความรู้สึกตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะ เบาๆเบอรเบอรมันไม่ค่อยชัดและส่วนใหญ่จะไปอยู่ติดกับความสงบแล้วก็จะหลับันง่ายๆแต่เมื่อได้มาฝึกแบบการเคลื่อนไหวนี้แล้วเนี่ยก็ทําให้มีความรู้สึกตัวที่ชัดเพราะว่ามันใช้สิ่งที่เป็นเป็นการเคลื่อนไหวยับยัซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทําให้เรามีความมั่นใจนะในการที่เราฝึกอนะ ความรู้สึกตัวนะหรือว่าที่เรียกว่าสติสัมปชัญญะ เ, เมื่อตอนที่บวชเมื่อปี2525เนี่ยตอนนั้นได้มีโอกาสประสบพบกับสิ่งที่เป็นที่เรียกว่าความรู้สึกตัวอย่างตื่นตัวเต็มที่นะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราก็เริ่มมองเห็นประตูหรือว่าช่องทางที่เราจะเข้าไปเรียนรู้ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในตัวเราแต่เพราะความประมาทของเราเองเราคิดว่าแค่นี้พอแล้วเราก็ไปใช้ชีวิตในโลกซึ่งก็ได้ใช้อยู่แต่บางทีก็ยังหลงลืมบ้างการใช้ชีวิตในโลกเนี่ยก็เป็นประโยชน์กับโลกแต่ประโยชน์กับตัวเราเองเนี่ยก็ก็มีไม่มากมีหลงลืมบ้างมีสติบ้าง ไม่มีบ้างแต่ก็ไม่ได้ทิ้งระยะเวลาที่ผ่านมาก็เป็นระยะเวลาของการที่เราเรียนรู้ในเรื่องของความรู้สึกตัวอยู่ เ, เรื่อยๆแต่ไม่ค่อยต่อเนื่องเพราะว่าเราเราห่วงกับงาน่วงกับภารกิจที่เราต้องรับผิดชอบก็ได้ตั้งใจไว้ว่าจะทํางานสักระยะหนึ่งและเมื่อถึงพอสมควรแก่เวลา ก็น้าที่จะได้หยุดพักกิจาการงานทั้งโลกแล้วก็มาศึกษาเรื่องของอจิตใจโดยตรงซึ่งจังหวะ เ, เมื่อปีที่แล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่เหมาะพอดีทั้งหลายหลายอย่างนะไม่ต้องห่วงอะไรนะแต่ก่อนเรายังห่วงงานเรายังห่วงครอบครัวยังห่วงคนนู้นห่วงคนนี้ยังคิดว่าเราสามารถเอาสติเนี่ยไปใช้ในชีวิต ในโลกได้ซึ่งมันก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็ยังมีความทุกยังมีความเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวและเราคิดว่าเรารู้แล้วซึ่งสิ่งนี้ก็ทำให้ตัวเองได้รู้ว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาเนี่ยมันรู้ก็จริงแต่รู้นิดๆหน่อยๆแต่เราไปหลงว่าเรารู้มากาหลังจากได้มาบวชแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังสมัยก่อน ทีหลวงพ่อเทียนเคยพูดก็ดีหลวงพ่อคำเขียนเคยพูดไว้ก็ดีเนี่ยแต่ก่อนเราฟังไม่รู้เรื่องแต่เมื่อเรามาใช้ชีวิตมาปฏิบัติเราฟังแล้วเรารู้เรื่องอาการต่างๆอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นเราเข้าใจแม้ว่าจะยังไม่ถึงที่สุดก็ตามแล้วเราก็มีความมั่นใจเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริง ผล ข, ของการปฏิบัติมีจริงการปฏิบัตินี้มีผลได้จริงๆแต่ก่อนเราก็เชื่อเพียงแต่จำๆแล้วก็ศรัทธาเท่านั้นเองเออพระพุทธเจ้าที่พูดถึงเราก็ฟังๆมาว่าอืมก็คงจะมีแต่ว่าเมื่อเราปฏิบัติลงไปเรื่อยๆเราก็มีความศรัทธาในในสิ่งที่พระ อ, องค์ได้ตรัสรู้และก็สิ่งที่พระ อ, องค์ตรัสรู้นั้นมีจริง ครูบาอาจารย์ในระยะหลังก็ได้รับถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบันภาษาบาลีในพระไตรปิฎกก็ดีหรือว่าเราได้ยินได้ฟังก็ดีแต่ก่อนเราฟังไม่เคยรู้เรื่องแต่เมื่อเรามาฟังครูบาอาจารย์ถ่ายทอดเป็นภาษาท้องถิ่นเป็นภาษาที่เราสามารถฟังได้ตรงนี้ก็ทําให้เราเมีกําลังใจในการประพฤติปฏิบัติแล้วก็ เห็นว่าเป็นวิธีการที่ใช้ได้และก็สามารถที่จะก่อให้เกิดผลได้จริงๆและเมื่อนําไปประพฤติปฏิบัติจริงๆก็เกิดผลอย่างนั้นจริงๆสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ตั้งใจในการเจริญสติให้ให้ต่อเนื่องไปให้เป็นชีวิต ให้เป็นอาชีพของเราจริงๆแม้แต่คนที่ทำงานอยู่ในโลกปัจจุบันขณะ น, นี้นะก็พยายามเอาความรู้สึกตัวเนี่ยไปใช้กับในชีวิตประจําวันของเราตรงนี้เนี่ยก็เชื่อว่าจะทำใหอ้อ่ชีวิตของเรานั้นเบาขึ้นโปร่งขึ้นสบายขึ้นและทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแลก็ผมเรีอกตามาเชื่อว่า การเจริญสติเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนนที่ต้องการจะปล่อยวางสิ่งที่หนักอยู่ในหัวหรือในความคิดในจิตใจซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ถ่ายทอดมาตั้งแต่พระเจ้าได้ตดรัสรู้เมื่อประมาณ 2,600 ปีที่แล้วปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีสำคัญถ้าเราบวก ระยะเวลาที่พระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วก็ได้ประกาศเผยแพ่ธรรมะ45ปีปีนี้2 5 5 5รวมกันแล้วก็น่าจะเป็นปี 2,600 2,600 ปีของการตรัสรู้ซึ่งน่าจะเป็นโอกาสดีสำหรับคนที่ยังไม่เชื่อในในการตรัสรู้ของพุทธเจ้าได้มาระดม กับตัวเราเองไม่ต้องไปเรียกร้องจากคนอื่นอันนี้น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีในการที่เราจะได้สารต่อหนทางแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ต่อไปเพื่อให้เป็นที่พึ่งนของคนทุกคนในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนไทยคนจีน คนสีลังกาคนอเมริกาหรือทั่วโลกแต่สุดท้ายก็มาเริ่มเที่ยวนที่ตัวเร า, าก็คือเราพยายามทำความรู้สึกตัวของเราให้มันชัดแล้วก็ต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตัวกระผมเรียธรรมมาเองได้เรียนรู้ตลอดมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้ แม้ว่าจะไม่ถึงยังไม่ถึงที่สุดก็ตามแต่ก็ได้ตั้งใจแล้วก็จะใช้ชีวิตที่เหลือเนี่ยเพื่อเรียนรู้เรื่องพวกนี้ให้ถึงที่สุดเป็นสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้ก็ขออนุมโมทน า, าในทุกท่านที่ได้มาร่วมกันใช้ชีวิตที่วัดป่าสุกโตแห่งนี้แล้วก็หวังว่าความพักเพียรพยายามของทุกท่านจะได้ประสบพบกับที่สุด แห่งทุกด้วยกวว้้าดยกันทุกคนทุกท่านเ ท, ทินให้เสียงเบมห <c oughs> ให้รู้ว่าอาจารย์สนใจพูดอะไรเราพระไดยินถึงแม้ว่าไม่รู้จากคำพูดแต่ว่าก็รู้จากอาจารย์สมใจในฐานะแบบไหม นูกจกากการในฐานะสภาผู้นำดุ่มโบกเป็นชีวิตเช่นไรก็นามมาแล้ว40ปีมาแล้วแต่ก่อนท่านก็เคยปวดอยอู่ปวดโตกันเดียว รุ่นเราเขาเดียวกับการด็กเตอร์ทวีวัฒน์อัญชาญอัญชาญวิโรโทเอาออสเตรเลียใช้ไหบ้าง ม, มีวิสิตที่บวดอยู่นี่มีวิสิตหลงพ่อเทียนรุ่นเล็กๆก็ว่าได้ อาจารย์เจ้าเสินก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์สังเก่างก็สอนอยู่ที่มหามหาวิท ย, ยาลัยวิทยาลัยพเยาเทคโนลอดมงคลเทคโนเชียงใหม่แต่ก่อนก็ไปอบรมลูกศิษย์ของท่านด้วยโนนอาจารย์เ้าสิน อ, นอาจารย์เจ้าสินก็เป็นลูกศิษย์ของท่านสมัยนักศึกษารุ่นใหม่หลายคน <c oughs> ด้า น, นรู้จักกันในฐานะสภาวธรรมจากมาจากไหนก็ค่อยดูจักองของโรคกอมาดูจักแต่ว่ารู้จักสภาวธรรมที่เป็นหนึ่งเดียวกันและลํางาสละมาบวชแต่ที่ใจมาบวชทั้งปัญญามาอยู่ที่นี่ อาชิท่านคิดนานแล้วเรื่องนี้แล้วก็สอนทำมาอยู่ที่เทคโนภาคมงคลมาตลอดตั้งแต่ทำกบมาอยู่พวกเราแล้วรือว่าเป็นสรัพย์ก้อนหนึ่งที่จะช่วยกัน ลงประศาสนาเป็นภุกลากรพูดหนึ่งมันชืดต้อปวดก็หมาจะคงจะเป็นที่เพ่งผาสัยของพุทธศาสนาได้ไม่ได้พบบอลไร <c oughs> ฮ่าฮ่มมาฮ่ททาฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าา พู้ทางพระวานทางอาภีวาเทสวากขาตัวพาะวัตตามโมธัมมังนะมะสาสุปฏิปันโนพระวัตตสาวกาสกสังโฆสังฆังนะมะ